บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนยิยาต่างๆนั้นแม้จะมีวิธีการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้ว ผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนั่นคือการเพิ่มพูนปัญญาให้สูงขึ้นเนื่องจากกิเลสทั้งหลายมันสืบเนื่องมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้เมื่อปัญญาคือความรู้เพิ่มขึ้นกิเลสมีชื่อมีประเภทต่างๆก็จะลดลงโดยธรรมชาติ การมองโลกของคนที่มากไปด้วยกิเลสนั้นจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงจะมามีมีการเียทเบียนประทุษร้ายกันบางครั้งบางคราวแรงมากกว่ากลายเป็นมิจฉาญีแต่เมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงการมองโลกของคนเหล่านั้นก็จะชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จนผลสูงสุดนั้นคือมองชาวโลกทั้งหลายด้วยความกรุณาเห็นเขาทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ก็เพี่ยนพยายามที่จะช่วยเหลือ ห, หลุดร้อนจากความทุกข์แต่วิธีการปฏิบัติจะเริ่มต้นมาจากตรงไหนก็ได้ทำนองคล้ายๆกับเราปลูกต้นไม้มปลูกไปแล้วอย่างอื่นก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น จะลดน้ำต้นไม้จะรถจากส่วนใดก็ตามในสุดก็จะเกิดเชื่อมต่อถึงกันหรือแม้แต่ว่ามีการกระทําในรูปของการทําลายจะทําลายส่วนใดก็ตามต้นไม้เหล่านั้นก็จะสุดโซมลงไปตรรมาปฏิบัติที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกกระยายนั้นคุณสังเกตว่าตัวการใหญ่จริงๆ ก็คือการพยายามที่จะพัฒนาตัวปัญญาคือความรู้ให้สูงขึ้นแม้ในประธมเทศนาที่ทรรพระเจ้าส่งแสดงหรอจะพบว่าในที่นั้นทรงใช้คำที่เป็นชื่อของปัญญามากเช่นจักขุยานปัญญาวิชาแสงสวง่างเป็นการเรียกถึงสภาพจิตที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติมาตามราดั บ, ดบจะถึงจุดหนึ่ง จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีไม่วันไปไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้เมือตัวความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในจิตจะเรียกความรู้อย่างนั้นว่าตสรูจากการจัตสรูนั่นเองสิ่งที่ทรงเป็นเหตุให้ทรงจตสรูจะเรียกว่าจักษุคือดวงตาซึ่งสามารถมองเห็นอะไรได้ทําความเป็นจริงก็ได้ เดินดวงตานั้นเองมันก็สามารถเห็นได้อย่างจํากัดแต่ถูกความมืดปินบงังเอาไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มองไม่เห็นู้ไกลเกินไปก็มองไม่เห็นเพราะในครับว่าดวงตาบางทีก็ อ, อธิบายขยายออกไปอย่างที่เราเคยได้ยินใน้ฟังทั้งแต่สวดกันมาสมัยเป็นเด็กที่ว่าพร้อมเบญจะพิทยจักสูตรจารพิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จิต ็นการแสดงถึงปัญญาที่มีอยู่ภายในประไทัยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าจักษุทั้งห้าประการประการแรกก็คือดวงตาธรรมดาแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระเนตที่พิเศษโดยบุญญาธิการแม้พระชนจะยืนมาจนถึง8ปดสิประพันษาพระเนตก็ยังมีลักษณะเดิมจะทรงมองเห็นอะไรได้ได้อย่างชัดเจนไม่มีปัญหาเรโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับประเนตร ในส่วนนี้ได้สงแสดงให้เห็นถึงผลบุญบรารมีที่ทรงประพฤติกระทาเอาไว้บางครั้งบางคราวบางชาติจนถึงก็สละดวงตาให้เป็นฐานจะหลักงารตรงนี้เองแต่ไม่มองเลยไปถึงจุดหนึ่งซึ่งมีการรู้สึกของคนเป็นจำนวนมากแต่พอพูดถึงการบริจาควัยวะารร่างกายแล้วก็จะไม่ยอมบริจาค วความกลัวว่าเกิดต่อไปนั้นตัวเองจะพิการเช็ดบริจาคดวงตาตาก็จะบอดบริจาคตับไตตับไ ต, บตบก็จะไม่มีบริจาคอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนนั้นก็จะไม่มีเป็นต้นซึ่งในแง่ของความไม่จริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเป็นอุปบัติอุปบารมีทานคือทานที่กระทํายิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่ทรงแสดงบารมีไว้สามระดับ เรียกว่าธานะบารมีฐานะอุปบารมีและฐานะประมตตบารมีการสละขนาดนั้นจัดเป็นทานระดับอุปบารมีซึ่งมีผลได้ยิ่งใหญ่อำนวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคลผู้นั้นอย่างการบริจาคดวงตาของพระโพธิสัตว์ในพภบชาติต่างๆม า, า, าทำให้ได้ตาที่มีคุณภาพสูงแม้พระชนมยุคจะผ่านไปถึง80ดสก็เป็นเช่นเดียวกับสมัยที่ยังเป็นหนุ่มสาว ปรการต่อไปนั้นเป็นตาที่เราเรียกว่าทิพยจักสุขเป็นตาทิพยสามารถกาหนดจิตเพื่อมองเห็นในที่ใดที่หนึ่งคือจะไกลยังไงก็ตามแต่ลักษณะของตาทิพยนั้นจะเป็นเช่นเดียวกับทํามองเดียวกับโทรทัศน์ือสามารถรับภาพได้ในที่ไกลก็จริงแต่ถ้าไม่เปิดขึ้นหรือหมุนหมุนขึ้นให้ตรงกับช่องนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะรับได้ ลักษณะของตาที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระยานที่เราเรียนรู้กันมาว่าเรียกว่าที่ประจักษสุยาณบัางเรียกว่าจุตูป่าติยาตบั้งมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติพัฒนาพระไทยจนถึงความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสีเี้นี้เป็นผลพวงที่สืบเนื่องกันมามันจำนองคล้ายๆกับเราใปในที่ใดที่หนึ่ง จะต้องการเห็นหรือไม่ต้องการเห็นก็ตามแต่เมื่อถึงเราก็ต้องเห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ตรงนั้นทิพยสุเป็นคุณสมบัติพิเศษก็มีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าทรงใช้ไปในสองกรณีกรณีที่สวดูสัตว์โลกทั้งหลา ย, พยเพื่อจะเสด็จไปโปรดในแต่ละวันทรงเรียกว่าทิพยสุตอนนั้นท่านเรียกว่าทิพยสุ เป็นการมองภาพกวาดไปแล้วใครที่มีบุญญาธิการก็จะปรากฏในพระยานของพระองค์คล้ายๆลึกับภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน์โดยทรงมองศึกษาถึงพื้นฐานเบื้องหลังของบุคคลเหล่า น, นั้นว่ามีความเป็นมาเป็นยังไงธรรมะทรงยากยายเปลี่ยนแปลงธรรมะที่แสดงแก่บุคคลทั้งหลายเพราะพื้นฐานของผู้ฟังในแต่ละขณะนั้นไม่เหมือนกัน การใช้ธรรมะข้อเดียวหรือแม้จะข้อเดียวแต่ใช้วิธีเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีการยักยายเปลี่ยนแปลงวิธีในการสื่อสารในการให้ความรู้แก่บุคคลต่างกันแต่การยักย้ายเปลี่ยนแปลงได้มนก็ต้องรู้พื้นฐานจิตอัธยาศัยของคนซึ่งมีความยิ่งความย่อนที่แตกต่างกันออกไปแต่เราู้สมมุติปัจจุบันคือวิชาการปัจจุบันก็คือวิชาจิตวิทยา มีการศึกษาถึงภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าจิตวิทยานั้นข้อมูลอย่างไงก็มีไม่มากพอต่อการม่นิจฉัยตัดสินให้ลงตัวตามที่พระเจ้าทรงรู้เห็นโดยที่ประจักษสุได้ใจเ ก, กี่ยวตรงนี้เองเราจึงพบว่ามีบุคคลบางคนดูแล้วน่าจะได้รับการโปรดจากพระพุทธเจ้าก่อนเช่น ราชวงศ์ที่กรุงกระบิละพัดโดยเฉพาะพระพุทธบิดาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จไปในทันทีทันใดแต่ได้เผยแพร่ศาสนาในที่อื่นอยู่อีกทั้งสองแคว้นจึงได้เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านนั้นยังไม่ปรากฏในข่ายพยาธิแม้จะเสด็จไปเปรตไปโปรดไปเทศยังไงก็ตามท่านก็ไม่อาจจะเรารู้ธรรมะได้ แต่ขื่นปทําับเราก็เมืองกับการชิงสุก่อนทำก็ต้องรอเวลาบ่มอินทรีย์ฝึกบปืออัตยาศัยของบุคคลเหล่า น, นั้นให้พร้อมที่รับฟังเสียก่อนแต่ในขณะเดียวกันที่ปิจาูณนี้เองบางทีก็ใช้ในการดูความยิ่งความหย่อนความแตกต่างกันของคนแลว้วคนนั้นทําไมรูปร่างเป็นอย่างนั้นสติปัญญาเป็นอย่างนั้นพื้นฐานในด้านต่างๆอย่งเป็นอย่างนั้นก็ทรงจำแนกได้ว่ามันมาจากกรรม ที่คนเหล่า น, นั้นได้กระทบเอาไว้ในพบในชาติซึ่งก็คือเกิดมาแล้วมีความยิ่งความหยดกันอยู่เพราะงั้นคนเราจึงไม่มีใคยเหมือนกันในด้านความคิดจิตใจหรือแม้แต่เรื่องเดียวกันคือการมองให้ลงตัวจริงๆในรายละเอียดมันก็มองไม่ได้นอกจากว่าท่านเหล่า น, นั้นจะเป็นพระยะบุคคลพอถึงระดับพระยะบุคคลแล้วก็จะเสมอกัน ในด้านความคิดความเห็นในด้านการมองสิ่งต่างๆแต่ถ้าพูดตั้งแต่ในรายละเอียดบางทีก็ไม่เหมือนกันเช่นคราวหนึ่งมีประเทวผู้ใหญ่จานวนมากไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งและท่านเหล่านั้นก็ประรบถึงป่าว่ามันน่าจะเป็นที่อยู่ของใครก็ปรากฏว่าพูดไปแล้วไม่เหมือนกันพระมหากรสปะท่านเป็นพระธุดงท่านชอบอยู่ป่า ท่านก็บอกว่าเหมาะสมัคพระที่จะที่จะเจริญธุ ด, ดงที่ผเป็นธุ ด, ดงค์ภาษารี่บุตรท่านมีพู้รุมเรืองด้วยปัญญาท่านก็บอกว่าเหมาะที่จะเพิ่มพูนปัญญาในสถานที่นี้เป็นต้นคือแสดงว่าท่านมีความถนัดในเรื่องอะไรทั้เงเลยว่าสถานที่นั้นมันเหมาะกวนแก่คนซึ่งมีความถนัดในเรื่องนั้นๆ ซึงหมายความว่าในแง่ของการปฏิบัติแล้วคนที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นถ้าได้อาศัยสถานที่เหล่านั้นก็จะเพิ่มปูนความสงบเพื่มปูนปัญญาให้มากยิงขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมะที่เราเรียกสรุปปศีลสมาธิปัญญามันจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่เกื้อกูลไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญามันก็ยากต่อการที่จะเพิ่มปูนให้มากยิ่งขึ้น งนั้นเราจึงพบ ว, ว่าแม้แต่รพระพุทธเจ้าก่อนจะสัจสรู้ก็เลือกหาสถานที่ที่สงบเพื่อสามารถที่จะปรับพระไทยของพระองค์ให้ะสมกลมกืนกับธรรมชาติและสิ่งที่ต้องทงนำมาเรียนรู้จนกลายเป็นการสัสรู้ก็สิ่งที่รอบรอบพระองค์นั่นเองถึงแสดงให้เห็นว่าสิ่งหล่นี้ก็เกือกูลต่อตาเนื้อธรรมดา ในการที่จะเป็นเดชได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งท่าง่แล้วก็ทำให้เกิดเป็นตาทิพย์ขึ้นมาตาทิพย์นั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะต้องจงใจที่จะดูจริงใจเห็นและสิ่งที่จะมองดูนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีโดยส่วนเดียวมันจะไปดูสเปสะปะอย่างคนที่มีกิเลส ถึงเราจะเห็นว่าคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยสามัญชนมีไม่ได้เพราะถ้ามีเราจะเป็นปัญหาปันปวดไปหมดทั้งโลกเช่นสมมติว่าชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็เกิดทิพะจักษุ ข, ขึ้นมามีตาทิพสามารถจะเห็นอะไรในที่ต่างๆจะปกปิดว่ายังไงในเห็นหมดมันกงจียุ่งรางคนเหล่านี้คงจะใช้ตาทิพแล้วตั้งเป็นซ่องโจรขึ้นมาบอกให้คนไปขโมยของในที่นันที่นี้ คงจะวุ่นกิดหมดเราพัฒนาการทางจิตเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นทํานองคล้ายๆกับต้นไม้คือผ่านการเวลาสมมติว่าต้นไม้เล็กๆมันเกิดออกออกลูกออกผลขึ้นมาแล้วมันก็กิ่งเองเนี่ยจะถานต้นไม้ไว้ไม่ได้แล้วต้นไม้นก็จะพักเพต้นตไม้แต่ละชนิดมันอยู่ในสภาพพร้อมที่ออกดอกออกผลจึงถึงออกดอกออกผล เรายัางไม่พร้อมมันก็ออกมาไม่ได้ก็เป็นวิสัยแบบธรรมชาตริร์ผลทางจิตก็จะมีลักษณะเช่นนั้นว่าผลบางอย่างจะไม่เกิดขึ้นแก่ระดับจิตตรงนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งผลนั้นก็จะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของท่านพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไงพระหาจารทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นและการต่อไปเรื่องปัญญาจากสุขจากสุ ค, คือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ คือเราเห็นว่าคนทั่วไปเราก็มีปัญญาจากสูงแต่ไม่ถึงกับมีประสิทธิภาพมากพอที่จะขจัดอวิชชาได้หมดสิน้นแต่ของพระพุทธเจ้า น, นั้นได้ขจัดอวิชชาได้หมดสิน้นปัญญานั้นเราแปลว่าความรอบรู้หรือตัวความครู้ตั้งแตจะเห็นว่าในพระพุทธคุณที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนว่าพุทเจ้าทรงเป็นอลาหังเพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักได้ เธอตั้งคำถามว่ากรรมแห่งสังสา ร, รจัฏคืออะไรกรรมแห่งสังสา ร, รจักรก็คือเหตุที่นำคนไปหมุนบนประสบความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญแล้วบังเกิดในภพชาติต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะของกรรมนั้นเมื่อสรุปรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นกิเลสกับกรรมแต่ในกิเลสนั่นเองทรงแสดงไว้สามจังหวะจังหวะหนึ่งก็คืออวิชชา จังหวัดที่สองก็คือตานหาจังหวัดที่สามก็คืออุปาทานเป็นสิ่งที่มีความต่อเนื่องถึงกันเพระจริงในความเป็นตานหาในความเป็นอุปาทานมันก็เป็นหาวิชาอยู่ด้วยและในความเป็นหาวิชานั้นเดมก็มีตานหาอุปาทานอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเป็นการแดงถึงสภาพจิตของคนในสามจังหวัดาวิชานั้นเป็นสิ่งที่ติดใจเรามาโดยกับเนิด แต้ความคนแต่ละคนนั้นเกิดมาด้วยอำนาจของอวิชชาแต่บางครั้งก็พูดว่าเกิดมาด้วยอำนาจของตัณหาเช่นตัณหาชนติปุริสังตัณหานั้นทำคนได้เกิดมาตัวคนผู้เกิดเองก็มีตัณหาผู้ให้เกิดเองก็มีตัณหาคือแสดงมาอาศัยตัณหาเกิดอาศัยตัณหาอยู่อาศัยตัณหาดับไป ในขณะที่มีปัญหามันก็มีอวิชามีอุปาทานอยู่ด้วยเวลาท่านเรียกท่านก็เรียกตามจุงตามจังหวะอวิชาก็คือความไม่รู้ซึ่งตรงกันข้ามกับวิชาคือความรู้ตถาทวิชาเกินวิชาก็คือปัญญาผลตัวจากสูทั้งห้านั้นที่จริงก็คือตัววิชาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือที่ปัญญาจักสูต เป็นตัววิชาถึงตรงในภาพกับอวิชาแคสูเรานี้ก็คือแสงสว่างที่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายความมืดเกิดวิชาถ้าวิชาดับตรงนี้ตัณหาอุปาทานก็ดับไปแต่เมื่อวิชายังไม่ดับอวิชาก็เป็นฐานเวลาเรากระทบอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัส เราจะมีความรู้สึกในแนวของวิชาก่อนคนนี้ลองสังเกตดูจิตของเราในแต่ละขณะที่ประทบกระทบอารมณ์ทั้งผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในกรณีที่รูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราจะเกิดอวิชชาคือความไม่รู้จากความไม่รู้นั้นแสดงอาการของนิวรณ์ออกมาคือสงสัย ใครเป็นใครเป็นอะไรเป็นที่ไหนเป็นอย่างไรเราก็มีคำถามเกิดขึ้นภายในใจบางครั้งก็มองผ่านไปเลยคือไม่สนใจที่จะรู้แล้วก็ไม่เก็บความสงสัยเอาไว้ความไม่รู้ก็ยังอยู่ภายในใจเจอเมื่อไหร่มันก็ไปรู้เมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะอาวิชชายังไม่ถูกขจัดออกไปความสงสัยก็ยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าไม่ได้เหนียวนึกตรึกนึกก็เกิดความสงสัยเท่านั้นแต่พอเจออีกมันก็เกิดอวิชาอีกก็อีกนั่เกิดเกิดอวิชาอีกเราจึงพบว่คนบางคนเราพบเขาตั้งเก้าครั้งยี่ครั้งเรายังไม่รู้จักว่าชื่ออะไรก็แสดงนั้นมีอาการของวิชาเมื่อไม่รู้จักถามว่าเรามีความรู้สึกชอบชังเขาไหมเราจะไม่มีความรู้สึกชอบสั่งอะไรครับ เพรา ะ, ะไรเพราะว่าจิตยังไม่ได้ปรงลงไปว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีความชอบความชังก็ไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าในกรณีนี้มันก็คงจิตยังอยู่กับตัณหาออ ย, ยังอยู่กับอวิชชาอยู่นั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเราอยากรู้ว่าคนนั้นเป็นใครเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นอะไรเป็นต้นเมื่อถึงจุดรับรู้นามาเหนียวนึกตรึกนึก แล้วเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจอาการม็ตัณหาก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นภายในใจถ้าเราพอใจอาการนัการาตัณหาภาวะตัณหาก็ปรากฏจิตก็จะดิ้นไปด้วยความรู้สึกรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมเป็นตนก็ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเป็นสถานะตำแหน่งจะรู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกพอใจเพราะว่าตัณหามันก็เกิดขึ้นภายในใจแต่ถ้าเราศึกษาวิจัยแล้วรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจยๆหรือรู้สึกรู้สึกไม่ชอบอาการก็วิปวัตนาหาก็เกิดขึ้นในโอกาสต่อไปไม่อยากได้เห็นได้ยินได้เกี่ยวข้องกับ บ, บุคคลเรา จวถามว่าทำไมหลังจากนั้นยังมีอาการก็ตันหายอยู่ทั้งทั้งที่เรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ต่อได้จิตมันมีอุปาทานคือยังไปยึดเอาไว้ว่าคนนั้นเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนั้นเป็นไม่คนนั้นเป็นจตุคนนั้นเคยทําความเสียหายแก่เราเคยนั้นเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เราความรู้สึกเหล่านี้มาก็ถูกยึดเอาไว้ด้วยความรู้สึกอย่างนั้น แต่ถ้าเรามองให้ดีเราจะเห็นว่าพอปัญญามันเกิดขึ้นในตัวตัณหาเองก็ดับไปไม่มีอาการของตามัตนาภาวะตานารวิภาวะตนาเช่นดัมมองอย่างมีความรู้เท่าทันถึงสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเช่สิ่งทั้งหลายเนี่ยเรามีเหตุผลมีสติปัญญามากพอสมมติว่ามีสมบัติที่เรารู้คุณค่าแล้ว หมายความว่าอาวิชชาในเรื่องเหล่านี้ก็สงบไปแล้วแต่เราเกิดอยากได้เกิดพอใจขึ้นมาแต่มองเห็นว่าทรัพย์สมบัตินี้เป็นของคนอื่นไม่ใช่เป็นสิทธิของเราเราไปเกี่ยวข้องไปร่วงเกิดไม่ได้ปัญญ า, าเมืเกิดขึ้นตัดความโลภอยากได้หมายว่ามันก็ตัดกระแสของตานหาออกไปอุปาทานในเรื่องนี้ก็ไม่อยู่ภายในใจ <c oughs> แต้ยิ่งไปกว่านั้น ตัววิชามันมีกำลังเกิดมาแต่ที่จะดับเฉพาะตัณหาว่าไม่ใช่ของของเราพอดีของนั้นเจ้าของก็วางเผลอเอาไว้รู้เกิดไม่ตัดจิตตอกเจ้าของใจมันเพิ่มพูนธรรมะขึ้นไปอีกก็นำของลนั้นไปมอบคืนให้แก่เจ้าของซึ่งแสดงเห็นว่าอาการก็อุปทานก็ดับอาการก็ตัณหาที่ต้องการได้สิ่งนั้นก็ดับ แล้อาจจะเปลี่ยนเป็นอยากได้ความสุขใจอยากได้การยกย่องสรรเสริญซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประณีตขึ้นไปใจยังไม่อยากเหมือนเดิมลักษณะเหล่า น, นี้เอาก็จริงมันก็มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราในส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการหมุนบนในสังสารวัฏนั้นมันเป็นเงื่อนต่อของพวกกิเลสทั้งหลายเราเองที่ทเรียกเรียกว่ากิเลสกา ร, รมวิบติ อนนี้ขอให้ลองสังเกตสัมผัสทางใจของเราที่เราประสบมาตลอดชีวิตมันเป็นกระบวนการที่เกิดดับต่อเนื่องกันไปเช่นสมมติว่าเราเห็นขนมอย่างใดอย่างหนึ่งในชั้นแรกเราไม่รู้ขนมอะไรแล้วก็เกิดมีความสงสัยมัน เ, เป็นขนมอะไรเขาส่งให้หรือเราอาจจะซื้อมาทดลองชิมดูเป็นอะไร ในตอนแรกยังไม่รู้สึกชอบไม่ชอบแต่มาสงสัยกระดมอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยตอนที่เห็นนั้นในเราสังเกตว่าโลภก็ยังไม่เกิดโทสะก็ยังไม่เกิดเรี่องความยินดียินร้ายก็ยังไม่เกิดแต่เพียงสงสัยอยากรู้ซึ่งเป็นอาการของวิชาเพราะเราสัมผัสเนี่เกิดความรู้แต่ที่จริงรู้ไม่มากเพราะเราพอรู้มากท่านจะไม่ติดในรถ ไม่ติดในรูปไม่ติดในเสียงไม่ติดในกลิน่นไม่ติดในรสไม่ติดในสัมผัสท่านมองว่าศักดิ์แต่ว่าอาหารเท่านั้นเองกินอาหารแบบน้ํามันหยอดเครื่องไหนจะไปติดใจเรื่องเรื่องรูปเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องรสแต่ประการได้แล้วนี้ก็กลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานตอนทานาทาเดียวเป็นอาหารนั่นเองพระเจ้าก็สอนในรูปของอารมณ์กรรมฐานเวลาเราพัฒนาปัญญาขึ้นไม่ได้ขนาดไหน อาหารนั้นจะอร่อยยังไงก็ตามเป็นอาหารชิพพิเศษยังไงก็ตามถ้าใจมันสูงพอแล้วจะไม่ติดในตัวอาหารเหล่านั้นแต่เจนิการที่กลายเป็นบุมบนเป็นวัตตะเนี่ยเป็นวัตตะจักอยู่เพราะปริมาณของวิชาที่รู้รสชาติอาหารเหล่านั้นมีไม่มากพอมันต้เกิดชอบเกิดชังขึ้นมา ซึ่งบางครั้งอาหารที่อร่อยนั้นคุณค่าทางงานอาจจะไม่มากเลยสัาไปอาหารที่ไม่อร่อยคุณค่าของอาหารจะมากแต่เมื่อเราติดในคําอร่อยติดในรูปในเสียงในในสีของสิ่ง น, นั้นในสุดเมื่อรับประทานไปแล้วมันก็เกิดตันหาเกิดมาตันหาก็เกิดตันหาปั๊บไปกินไปเสร็จต้องเกิดเป็นอุปทานยึดติดว่าขนมนั้นอร่อยพอดีขนมนั้นหมดอีงไม่กีวันก็อยากกินอีก ปัญหาก็เพิ่มขึ้นอีกความยึดว่าขนมอร่อยก็เพิ่มขึ้นอีกต่อมาก็อยากกินอีกเราจรึงเห็นอาหารบางชนิดคนกินตลอดชีวิตเป็นอาหารประจําท้องถิน่นอาหารประจําภาคในเรื่องนั้นนั้นี่เดิน365วันถ้าลองไปนับดูอาหารนั้นเดีก็าอาจจะกินถึง300ครั้งเลยจำไปนั้นแสดงว่า เ, วเป็นการบุนบุน เกิดเก็บสะสมมาหารเหล่านั้นไว้ด้วยความอยากแล้วยากแล้วใจมันก็ยึดยึดแล้วก็ลายเป็นผลที่เราสัมผัสรู้สึกอร่อยมันก็คาอยู่ภายในใจตัณหามันก็เกิดแล้วมันกลายเป็ น, นบุญวนที่ท่านเรียกว่ากิเลสกรรวิบัติมันเริ่มจากความไม่รู้แล้วก็พยายามที่จะรู้พอรู้แล้วเกิดอยากอยากแล้วก็เกิดกินกินแล้วเกิดยึดยึดแล้วเกิดอยากอยากก็กินกินก็ยึดยึดก็อยากก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ เป็นกลายเป็นเรื่องอาหารอย่างเดียวก็หมุนวนไม่รู้สักเท่าไหร่เพราะเรื่องเาอื่นจะมีลัาากษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอปริมาณของปัญญาก็เพิ่มขึ้นภายในใจแล้วไตัดความรู้สึกรักสร้างเหล่านั้นให้ลดลงไปซึ่งหมายความว่าตรงนี้ลดอาการควาตัณหาก็ลดอาการเขาอุปาทานก็ลดมันก็ลดกันมาเป็นแถบ บางครัทง่งสอนให้ดูเป็นกระบวนการเลื่อนไหลของกระแสน้ําเพราะว่าสถานที่เสด็จประทับของพระเจ้านั้นมีน้ําอยู่เยอะแม่น้ํามากแล้วก็มักจะประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำํำพระองก็สามารถเสอนให้ดูได้มองน้ําที่ข้างหน้านั่นเด็กแต่ไปโยงไปสู่น้ําข้างล่างแล้วไปน้ําข้างบนแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาได้ เรามองเห็นว่ เ, เป็นกระบวนที่เลื่อนไหลการทิ้ดน้ําในแม่น้ำหรือใ น, นคลองขนาวเราลดนั้นหมายความว่าน้ําข้างบนก็ลดแล้วก็น้ำข้างล่างก็ลดแต่ว่าจริงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูอะไรมันเพราะกระบวนการธรรมชาติในแง่ความจําเราก็เคยพบเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้นเราก็จำเอาไว้แต่ทั้งหมดจะมีอาการแตกกันหัวกิเลสก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันอวิชาแก่ลดลงเท่าไหร่เนี่ย ตันหาจะลดตามลงไปอุปาทานจะลดตามลงไปแล้วมันไปดีตรงไหนไปดีที่ตัวกรรมเราคงมีการกระทําแต่เพราะว่าเราคิดก่อนทําเราคิดก่อนพูดพฤติกรรมทั้งหลายมันมาจากจิตจิตต้องมีวิชาเพิ่มขึ้นอวิชาลดลงไปหมายความว่าการกิเลสโลกก็ลดเกิดขึ้นลดลงแล้วก็ทําให้ การกระทากรรมคือกรรมที่เรากระทานั้นจะเป็นการทําในทางที่ดีเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าความรุนแรงต่างๆที่มองกันเป็นข้าศึกัตรูที่เป็นข่าวคราวอยู่ตลอดระยะเวลาโดยเว่ามองเป็นศัตรูที่แรงมองคล้ายๆกับตัวเองเป็นเจ้าโลกคนอื่นไปแย่งโลกของตัวเองอยู่เพราะนั้นต้องฆ่าต้องทํำลายกันแต่พอเกิดความรู้ความเข้าใจ เขาใจแบบนี้ง่ายเป็นการลดอวิชาแบบนีง่ายคิดแบบใจเขาใจเราชีวิตเราเราก็รักทรัพย์สินเราเราก็รักคู่ครองเราเราก็รักเราก็ต้องการฟังคำพูดที่จริงๆ จ, จ, จากคนอื่นเราต้องการยังไงคนอื่นก็คิดอย่างไงการปฏิบัติสำรวมระดับศีลมันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ต้องสมาทานอะไรก็ได้เพราะใสมัยพุทธกาลเราจะพบว่า ตัวอย่างชาวบ้านชาวบ้านพยาศักดิ์ก็ดีพ่อพยาักดิ์ก็ดีหรือแม่ปัญญากเก่าของพยาศักดิ์ก็ดีที่มาควา้าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีใครสมาทานศีลแต่เพราะการตั้งใจสำรวมระวังฟังพระธรรมเทศนาในขณะนั้นศีลมันก็เกิดครับเพราะอะไรเพระวิชามันเกิดขึ้นจากการฟังฟังแล้วก็คิดคิดจิตมันก็สงบกายมันก็สงบวัจจก็สงบพระจิตมันสงบ การไม่ไปทุจร้ายใครว่าจะไม่ไปทุจริตไร้ใครใจส ง, งบอยู่กับธรรมะเป็นระดับอย่าง้อสบมบูรระวังอย่างนี้ก็กลายเป็นศีลขึ้นมาหมายความว่ากรรมมันก็เป็นกุศลเขึ้นการมองศีลมีชีวิตเหล่าอื่นในชั้นที่ไปเดทได้เกิดศีลคือการสบมบูรณ์ระวังที่เป็นอาการแสดงออกของศีลก็คิดแบบธรรมดา คิดแบบใจเขาใจเราดังกล่าวหมายความว่าวิชาเกิดขึ้นขนาดนี้ต น, นามันก็ลดได้แล้วอุปาทานมันก็ลดได้แล้วกรรมมันก็ลดได้แล้วก็กลายเป็นการดำเนินชีวิตไปในคันลองแห่งศีลศีลจะกลายเป็นมัดเป็นถนนที่จะนาคนดำเนินไปสู่ความสงบเวนสงบภัยสงบอันตรายต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุแล้ว